ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังฆะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการเ จ, จนาพระมหาอาคมธรรมขาขโมแปรปรวารณาวินิชัยว่าด้วยเรื่องของการห้ามพัดต่อทิกสูรูปหนึ่งเมื่อทายกน้อมถวายพัดกลัวแต่การห้ามพัด ชักมือออกพูดกับชนผู้เทเข้าสุขลงในบาทแล้วแล้วเล่าล่า ว, ว่าท่านจงเทลงไปเถิดจงกดลงจงกดลงบรรจุให้เต็มเถิดถามว่าในคำนี้จะว่าอย่างไรพระมหาสุมาเทระกล่าวไว้ก่อนว่าจัดว่าเป็นการห้ามพัดเพราะพิสุพูดเพื่อต้องการไม่ให้เทลงแต่พระมหาปทุมเทระกล่าวว่า ธรรมดาพิสูจผู้กล่าวว่าจงเทลงจงบรรจุให้เต็มบางรูปก็เป็นการห้ามพัดแล้วจึงกล่าวว่ายังไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามพัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยเพราะว่าความเห็นยังไม่เหมือนกันแต่ว่าพริสูจน์บางรูปก็กลัวว่าจะห้ามพัดคือยังอยากจะฉันอาหารต่อไปตอนแรกก็ฉันเวลาเช้าแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเวลาเพลินก็จะฉันอีก เพราะฉะนั้นก็กลัวว่าเดี๋ยวคนมาถวายแล้วตัวเองจะอิ่มตอนเช้าท่านบอกว่าอย่าเทลงไปหรือว่าบอกว่าพอแล้วจะเป็นการห้ามพัดก็เลยบอกเลยว่าจงเทลงไปเถอะจงกดลงจงกดลงบรชจวให้เต็มความจริงแล้วก็ไม่อยากท่านก็เทลงมนะเพราะฉะนั้นก็วินิจฉัยกันว่าพระมาสุมาเทระก็บอกว่าห้ามพัดส่วนพระปุมเทระก็บอกว่ายังไม่ชื่อเป็นการห้ามพัดหรอก พิสูตอีกรูปหนึ่งสังเกตเห็นพิกษุผู้กําลังนําพัดไปกล่าวว่าผู้มีอายุท่านจะรับอะไรบางอย่างจากบาตของผมนี้บ้างไหมผมจะถวายอะไรสักอย่างแก่ท่านในคําแม้นั้นพระมหาสุมาเทระก็กล่าวว่าจัดว่าเป็นการห้ามพัดเพราะภิกษุนั้นกล่าวด้วยใส่ใจว่าพิกษุนี้จะไม่มายังสํานักของเราด้วยการกล่าวอย่างนี้ก็คือ กลัวว่าเดี๋ยวภิกษุอื่นจะนําอาหารมาให้ตนเองแล้วตนเองก็พอแล้วก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นการห้ามพัดก็เลยบอกภิกษุอื่นว่าอยากได้อะไรจากบานของผมบ้างไหมพระมหาสุมาเถระก็กล่าวว่าเป็นการห้ามพัดฝ่ายพระมหาปทุมเถระกล่าวว่าธรรมดาภิกษุผู้กล่าวว่าท่านจักรับไหมบางรูปก็เป็นการห้ามพัดจึงกล่าวว่ายังไม่ชื่อว่าห้ามพัด ก็อาจจะเป็นได้นะก็คือถ้าเกิดคนหนึ่งก็ถามกลับมาว่าแล้วท่านจะเอาของผมบ้างไหมแล้วก็น้อมบาตก็มาถวายเกิดห้ามเกิดไม่เอาบอกผมมีแล้ผมพอแล้วอันนี้ก็เป็นการห้า ม, มกันแต่ว่าอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามถ้ายกคนหนึ่งน้อมถวายรถมีเนื้อน้ําแกนมีเนื้อกล่าวว่านิมนต์ท่านรับรถเถิดก็คือรถน้ําต้มเนื้อ เมื่อพิษุได้ฟังคำนั้นแล้วปฏิเสธไปไม่จัดว่าเป็นการห้ามพัดเพราะว่าเป็นน้ำต้มเนื้อไม่ใช่เป็นเนื้อเมื่อเขากล่าวว่ารถปลาและรถเนื้อเป็นการห้ามพัดแก่พิจูผู้ปฏิเสธบอกว่าน้ำแกงปลาน้ำแกงเนื้อถ้าห้ามนี้ก็เป็นการปฏิเสธแม้เมื่อเขากล่าวว่าขอนิมนทนรับรถปลาเนื้อนี้ ก็เป็นการห้ามพัดแก่พิกจุผู้ปฏิเสธเหมือนกันเขาแยกเนื้อไว้ต่างหากกล่าวว่านิมนต์ท่านรับรถมีเนื้อถ้าว่าในรถนั้นมีชิ้นเนื้อแม้เท่าเมล็ดพันธุ์ประกาศก็เป็นการห้ามพัดแก่พิกษุผู้ปฏิเสธรถนั้นแต่ถ้าเป็นรถที่เขากรองแล้วควรอยู่พระอภัยเทระกล่าวไว้แล้วอย่างนี้พระอภัยเทระนี่ก็เป็นผู้ที่ทรงพระไตริฎกเหมือนกันก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาองค์ของการห้ามพัดน้ำห น, นักมาวินิจฉัยด้วยเพราะว่าโภชนะนั้นจะต้องเป็นโภชนะห้าก็คือข้าวสุกขนมสดปลาแล้วก็เนื้อแล้วก็ทางยกนั้นก็ต้องเข้ามาอยู่ในหัตถบาทด้วยพระพิโสก็กําลังฉันอยู่ยังฉันไม่เสร็จมีการน้อมเข้ามาถวายเมื่อมีการน้อมคือมีกายยมินยัติเข้ามาอยู่ในหัตถบาปพระพิโุห้ามด้วยกายหรือวาจาอันนี้ถึงจะเป็นการห้ามพัด เพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้ําต้มเนื้อเนี่ยไม่ใช่โภชนะห้าแต่ถ้ามีชิ้นเนื้อาาเท่าเมล็ดธัะกาชอยู่ในนั้นจะเป็นเนื้อปลาหรือว่าเป็นเนื้อสัสตว์ต่างๆอันนี้ถ้าห้ามจึงชัดว่าเป็นการห้ามพระมหาเทระกล่าวว่าจงรอสักครู่หนึ่งจะผู้ถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยรสเนื้อแล้วกล่าวว่านําถาบมาเถิดคุณในคํานี้จะว่ากันอย่างไรพระมหาสุมาเทระกล่าวไว้ก่อนว่า การไปของผู้น้อมถวายพัดขาดไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าห้ามพัดแต่พระมหาปทุมเถระกล่าวว่าพระมหาเถระนี้จะไปที่ไหนการไปของผู้น้อมถวายพัดนั่นเป็นเช่นไรการห้ามพัดย่อมมีแม้แก่พิสุปผู้รับบางรูปแล้วกล่าวต่อไปว่ายังไม่ชื่อว่าเป็นการห้ามพัด นอกจากเจตนาแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับองค์ของการห้ามถ้าครบองห้านั้นถึงจะเป็นการห้ามไม่ใช่เจตนาอย่างเดียวพวกทายกแกงเนื้อผสมด้วยหน่อไม้และขนุนเป็นต้นเขาถือเอาแกงนั้นมาแล้วกล่าวว่านิมนทนรับแกงหน่อไม้นิมนทนรับแกงขนุนแม้แกงนั่นก็ไม่ห้ามพัดเพราะเหตุใด ก็เขากล่าวโดยชื่อแห่งสูปะพยัญชนะที่ควรแก่การไม่ห้ามพัดก็คือไม่ใช่โปชนะห้ามแต่ถ้าพวกเขากล่าวว่าแกงปลาแกงเนื้อก็ดีว่านิมนต์ท่านรับแกงปลาแกงเนื้อนี้ก็ดีนั่นจึงจะเป็นการห้ามพัดถ้าห้ามเพราะฉะนั้นถ้านิมนทรับแกงขนุนแกงหน่อไม้อันนี้ถ้าห้ามยังไม่ช่วยเป็นการห้าม แต่ถ้าเป็นแกงปลาแกงเนื้อนี่จะห้ามถึงจะเป็นการห้ามมีอาหารชื่อว่ามังสะกระรมผั ก, กะดก็คือยำเนื้อแม้ผู้ประสงค์จะถวายมังสะกรกะรมผกกดยำเนื้อนั้นกล่าวว่าขอนีมนท่านรับกระรมผั ก, กะดก็คือยำสมควรได้ชื่อว่าห้ามพักก็คือถวายแต่ยำ เ, เฉยๆไม่ใช่ยำเนื้อ แต่เมื่อเขากล่าวว่ายำเนื้อหรือว่ายำเนื้อนี้คำนั้นก็ก่อให้เกิดการห้ามพักสาหรับผู้ที่ห้ามขึ้นอยู่กับคาด้วยวัตถวายอะไรแม้ในโภชนะที่ผสมนื่ปลาและเนื้อทุกๆอย่างก็ในนี้เหมือนกันในมหาปัญจรีกล่าวว่าก้อนพิจุใดฉันอยู่ในสถานที่นิมนต์เข้าใจเนื้อที่เขาน้อมถวายว่า เป็นเนื้อที่เขาทําเจาะจงจึงห้ามเสียงที่สูนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ห้ามพักเหมือนกันส่วนมิสตกะตะถากถาว่าด้วยโภชนะรักนกันท่านกล่าวไว้โดยละเอียดในกรุนทีสมจริงดังคําที่ท่านกล่าวไว้ในกรุนทีนั้นอย่างนี้ว่าที่สูผู้ถือเที่ยวบินทบาตเป็นวัดนํายาคูเจือด้วยข้าวสวยมาแล้วกล่าวว่ามิมนท่านรับยาคู ยังไม่ชื่อว่าห้ามพัดเมื่อเธอกล่าวว่าขอนิมนท่านรับพัดจึงชื่อว่าห้ามพัดเพราะเหตุไรเพราะพัดที่พิสุเที่ยวบินธบาตถามโดยเอื้อเฟื้ อ, อ, บ, อบอกถวายมีอยู่ในคำว่าขอนิมนท่านรับพัดนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้พิษุเที่ยวบินธบาตเป็นวัดกล่าวว่าขอนิมนท่านรับพัดเจือด้วยข้าวยาคู ในพัดเชื้อข้าวยาคูนั้นยาคูมีมากกว่าหรือมีเท่าเทกันยังไม่ชื่อว่าห้ามพัดถ้ายาคูมีน้อยพัดมีมากกว่าชื่อว่าห้ามพัดสำหรับภิกษุผู้ห้ามแม้กระทั่งเขาถวายอาหารก็คือเนื้อเนื้อที่เขาทําไม่ได้เจาะจงเขาทารับประทานของเขาแต่ว่าภิกษุเข้าใจว่าเป็นเนื้อที่ทําเจาะจงเพราะฉะนั้นบอกห้ามเขา อันนี้ก็ชัวเป็นการห้ามพัดเหมือนกันคำพูดนี้ก็สำคัญนะว่าถ้าเขาถวายอะไรถ้าถวายพัดแล้วห้ามก็เป็นการห้ามพัดแต่ว่าถ้าไม่ได้กล่าวถึงพัดกล่าวถึงสิ่งอื่นที่นอกเหนือโพชนะห้ายังไม่ช่ว่าเป็นการห้ามพัดถ้าห้ามข้าอยากคูที่เจอพัดก็เหมือนกันนะถ้าข้าอยากคูนั้นมีมากกว่าพัดมีน้อยหรือว่า้ายากูกับพัดเท่าเท่ากันนี ถ้าเอามาถวายติ๊กตุกห้ามนี่ก็ยังไม่ชั่วเป็นการห้ามพัดแต่วัาถพัดมีมากกว่าข้าวยาคูมีน้อยถ้าไปห้ามกาชัวเป็นการห้ามพัดและคํานี้ใครๆไม่อาจคัดค้านได้เพราะว่าท่านกล่าวไว้ในทุกๆอธถกถาแต่เหตุในคํานี้เห็นได้ยากผู้ถวายกล่าวว่านิมนท่านรับยาคูเจือด้วยพัดพัดมีมากกว่าก็ดีมีเท่าๆกันก็ดี มีน้อยกว่าก็ดีย่อมชื่อว่าห้ามพัดเหมือนกันนิมนทรท่านรับข้าวยาขู่เชื้อพัดคำกล่าวนี้ก็สาคัญนะเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวอย่างนี้ก็พัดนั้นจะมีมากกว่าเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าข้าวยาขูถ้าห้ามว็ช่ว่าเป็นการห้ามเขาไม่ระบุถึงพัดหรือยาขูกล่าวว่านิมนต์ท่านรับโภชนะประกนกันในโภชนะประกันนั้นถ้าพัดมีมากกว่าหรือว่ามีเท่ากัน เมื่อห้ามจึงจัดว่าเป็นการห้ามพัดข้าอยาคูมีมากกว่าถ้าห้ามไม่จัดว่าเป็นการห้ามพัดก็โภชนะระคนกันนี้ไม่เหมือนกับยำเพราะว่ายำจะเป็นยาเนื้อก็ดียำไม่มีเนื้อก็ดีเมื่อเขากล่าวคําว่ายำยังไม่เป็นการห้ามพัดแต่โภชนาะละคนกันนี้กลายเป็นยากูผสมพัดไปย่อมเป็นการห้ามพัดใยในดังกล่าวแล้วนั่นแหละ ในโภชนะระคนกันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโภชนะระคนกันนี้ก็ต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าอะไรมากกว่าอะไรทายกกล่าวแยกถวายในพักที่มีรสมากว่านิมนต์ท่านรับรสในพักที่มีนมสดมากว่านิมนต์ท่านรับนมสดและในข้าวปลาญาที่มีเนยใสายมากว่านิมนต์ท่านรับเนยใสยเมื่อพิกสุห้ามพักนั้น ไม่จัดว่าเป็นการห้ามเพราะว่าวัตถุที่เป็นที่ตั้งของการไม่ห้ามพัดมีมากกว่าก็คือพวกน้ําต้มพวกน้ําก็คือน้ําแกงพวกนมโสดแล้วก็พวกเนยใสยมีมากกว่ามีมากกว่าพัดหรือว่ามีมากกว่าข้าวปลายยนั้นก็เลยไมห้ามก็ไม่ถึงการห้ามพัดนี่ก็หมายถึงพัดที่ตะคนกันโพราะฉนันที่ตะกล่นกันฝายทิกษุใดเดินห้ามพัด ขณะที่เดินอยู่แล้วก็กําลังฉันอยู่ด้วยหรือว่ายังตั้งใจจะฉันอยู่ฉันมาแล้วแล้วตั้งใจจะฉันอยู่แล้วก็เดินนําอาหารมาผู้อื่นนําอาหารมาถวายตอนเดินแล้วก็ห้ามตอนเดินที่สุดนั้นเมื่อเดินไปเท่านั้นจะฉันก็ได้เพราะว่าห้ามตอนเดินอิริบทขาดเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าเป็นการสิ้นสุดการฉันเพราะฉะนั้นในขณะเดินไปจะฉันก็ได้ เดินไปถึงที่มีโคลนตมหรือแม่น้ําหยุดยืนอยู่แล้วพึงทําให้เป็นเดนคือฉันต่อไม่ได้นะถ้าหยุดรอเป็นเรื่องแปลกว่าถ้าห้ามพักตอนเดินก็ต้องเดินฉันไปอยู่ะทั่งอิ่ ม, มนี่แหละแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่ฉันต่อไปไม่ได้นะถ้าจะฉันต่อต้องทําอาหารนั้นให้เป็นเดนถ้าแม่น้ําในระหว่างขึ้นเต็มฝั่งคือมีแม่น้ําในระหว่างและแม่น้ํานั้นก็ขึ้นเต็มฝั่งด้วย พึงเดินเวียนรอบพุ่มไม้ที่ฝั่งแม่น้ำแล้วฉันเถิดก็คือเดินไปเรื่อยๆฉันเไปเรื่อยๆถ้ามีเรือหรือสะพานขึ้นไปที่เรือหรือสะพานนั้นแล้วพึงเดินไปเดินมาก็ห้ามหยุดถ้าหยุดก็ให้เลิกฉันให้เดินไปเดินมาแล้วก็ฉันเถิดไม่พึงตัดอิริยาบถเดินให้ขาดตอนทิศสุนน้นห้ามพัดบนยานก็ดีห้ามบนหลังช้างก็ดี บนหลังม้าก็ดีบนดวงจันทร์ก็ดีถ้าเกิดมีฤทธิ์แล้วก็ห่อไปฉันที่ดวงจันทร์มีผู้ที่มีฤทธิ์เหมือนกันนําไปถวายที่ดวงจันทร์หรือว่าบนดวงอาทิตย์ก็ดีแล้วก็ห้ามเนี่ยนะพึงฉันทั้งที่นั่งอยู่บนยานเหล่านั้นแม้ซึ่งกําลังเคลื่อนไปถึงเวลาเที่ยงวันก็คือฉันได้สิ้นสุดเวลาเที่ยงวันต้อห้ามตอนไหนก็ฉันไปในเรียบทนั้นถ้าเปลี่ยนเรียบทนั้นเมื่อใด การเอีย่ยบทนั้นก็ชื่อว่าเป็นการหยุดเป็นการหมดสิทธิการที่จฉันที่จะฉันต่อต้องทําให้เป็นเดนพิกสุใด ย, ยืนห้ามพัดพิกสุนั้นยืนเท่านั้นจึงควรฉันพิกสุใดนั่งห้ามพัดพิกสุผู้นั่งเท่านั้นจึงควรฉันเมื่อทำเอริยบทนั้นๆให้เสียเพิ่งให้ทําอาหารนั้นให้เป็นเดนก็คือไปทําวินัยกรรมเดอยวจะบอกว่าวินัยกรรมทายัางไง พิกษุใดนั่งกระโยงห้ามพักพิกษุผู้นั่งกระโยงนั้นเท่านั้นจึงควรฉันแต่เพิงให้ต่างฟางหรือที่รองนั่งบางอย่างแก่พิกษุผู้นั่งกระโยงนั้นถ้าเกิดไปนั่งกระโยงแล้วก็ฉันอยู่เขาเกิดนําอาหารมาให้ก็เป็นไปได้นะว่ามันหนาวหนานั่งกับพื้นมันก็หนาวมากเพราะนั้นก็นั่งกระโยงงอตัวประทาให้อุ่นก็ฉันอยู่ เขาก็นําอาหารเข้ามาในหัตถบานก็เลยบอกว่าพอแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่งกระโยคฉันไปถ้าเปลี่ยนอย่าได้บทไปนั่งราบเมื่อใดก็ต้องทําอาหารให้เป็นเดมแต่ว่าอนุญาตบอกว่าให้เอาตังฟางหรือว่าที่รองนั่งบางอย่างมาให้กับทิสุผู้ที่นั่งประโยคนั้นได้ทิสุผู้นั่งบนตังเล็กห้ามพัดย่อมได้เพื่อจะฉันหมุนไปรวมทั้งสีทิศโดยไม่ทําให้อาสนะเคลื่อนที่เลย ทิษุนั่งบนเตียงห้ามพัดย่อมไม่ได้เพื่อจะเลื่อนไปทางโน้นหรือทางนี้แต่ถ้าชนทั้งหลายยกเธอขึ้นพร้อมทั้งเตียงหามไปในที่อื่นควรอยู่ก็เกิดเป็นนั่งบนเตียงแล้วก็ห้ามพัดถ้าเกิดจะไปที่อื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้คนเนี่ยหามเตียงไปในได้ก็นั่งฉันไปบนเตียงนั้นนะนะทิสุผู้นอนห้ามพัดพึงฉัน ท, ทั้งทั้งที่นอนนั่นแหละเมื่อจะพลิกตัว อย่าพึงให้เลยฐานแห่งสีข้าวที่ตอนนอนไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกวิจิตในที่นี้มีการฉันได้ทั้งอิริบทสี่คือยืนเดินนั่งนอนเลยทีเดียวแต่ความเป็นจีนไม่ได้เป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าวินิจฉัยเรื่องของการห้ามพัดถ้าเกิดเผอิญไปห้ามพัดในตอนที่ยืนเดินนั่งหรือว่านอนอยู่เนี่ยก็จะต้องฉันในอิริบทนั้น ถ้าปัดขาดเยริบทนั้นเมื่อไหร่ก็หมดสิทธิ์ฉันก็ต้องทําอาหารให้เป็นเดนจริงฉันได้อีกเพราะฉะนั้นก็เป็นการวินิจฉัยตามพระวินัยเท่านั้นแหละแต่ว่าความเป็นจริงนั้นการที่พระพิสุจะเดินฉันหรือว่ายืนชันนั้นก็ไม่เหมาะสมและนอนฉันยิ่งไม่เหมาะสมใหญ่ก็ยกเว้นป่วยถ้าป่วยนี่ก็ไม่มีปัญหาพระพิสุป่วยก็นอนฉันก็ฉันได้แล้วนะถามว่า ก็ภิกษุผู้ห้ามพัดแล้วจะพึงทําอย่างไรตอบว่าภิกษุห้ามด้วยอิริยบทใดถ้ายังอิริยบทนั้นให้กําเริบแล้วฉันด้วยอิริยบทอื่นพึงให้กระทําเป็นเดนแล้วจึงฉันอันหนึ่งภิกษุใดเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีซึ่งของฉันก็ดีที่สงเคราะห์เป็นยาวาคาลิกก็คือเป็นอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอาบัติปาจิตติทุกๆคํากลืนเลย นี้ก็เป็นสิกขาบทอยู่ในโภชนาวัค์เรื่องของการห้ามพัดก็คือปฐมปวัตนาสิกขาบท้าห้ามพัดแล้วเคี้ยวของฉันของเคี้ยวต่างๆที่ยังไม่ได้ทำให้เป็นเดนเป็นอาบัติปาจิตตีทุกๆคากลืนในพระบาลีนั้นของที่ไม่เป็นเดนชื่อว่าอนะเทีริตตอธิบายว่าไม่เหลือเฟือเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเหลือ แต่ของไม่เป็นเดนนั้นเป็นเพราะไม่ทําให้เป็นเดนด้วยอาการแห่งวิเนกรรมเจ็ดอย่างก็คือที่เรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเดนอนัตเตติตัปโพชนะหมายถึงว่าเอาไปทําวิเนกรรมหรือว่าอาหารที่เป็นเดนของพิสุให้แต่อาการทําวิเนกรรมทําด้วยอาการเจ็ดอย่างมีของทําให้เป็นกัปยัษเป็นต้นหรือไม่เป็นเดนของพิษุอาพาธเพราะฉะนั้น พรอุบาลีเถระจึงกล่าวไว้ในบทพาชนะว่าที่ชื่อว่าของไม่เป็นเดนก็คือของที่ยังไม่ได้ทํากัปติยะหนึ่งอันที่สองพิสุไม่ได้รับประเคนหนึ่งอันที่สามพิสุไม่ได้ยกส่งให้หนึ่งอันที่สี่ทำนอกขัตตบานหนึ่งอันที่ห้าพิสุยังไม่ได้ฉันเลยหนึ่งไปทำกัปปิสุที่ยังไม่ได้ฉันเลยก็ไม่ได้นะ อันที่หกของนั้นไม่ใช่เป็นเดนพิสุอ า, าพาธหนึ่งก็ไม่เป็นเดนก็คือไม่ได้ทำกับปิยะข้อหนึ่งพิสุไม่ได้รับประเคนข้อที่สองพิสุไม่ได้ยกสงให้ข้อที่สามทำนอกข้าบาชก็รข้อที่สี่พิสุยังไม่ได้ฉันเลยข้อที่ห้าแล้วก็พิสุฉันเสร็จห้ามพัดแล้วลุกจากอาสนะแล้วทำ พิสูจไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนั้นพอแล้วอันนี้ข้อที่หกนะแล้วก็ของนั้นไม่ใช่เป็นเด่นของพิสูจอ า, าพาธอันนี้ข้อที่เจ็ดนี้ชื่อว่าของไม่เป็นเด่นก็คือถ้าจะทำํำวินัยกรรมแล้วเนี่ยนะมีหกข้อส่วนอาหารที่ไม่เป็นเดาา่นพิสูจนอาพาธนี้ข้อหนึ่งก็เป็นเจ็ดการจะทําวินัยกรรมก็คือเป็นการทํากัปปิยะก็จะต้องพิสูจที่ จะเอาอาหารที่ตัวเองห้ามพัดแล้วแต่ว่าอยากจะฉันน่อีกเนี่ยต้องทำให้เป็นเดนก็ต้องนำอาหารนั้นไปให้กับพระภิกษุที่กาลังฉันพ้างอยู่ก็คืออาหารนั้นจะต้องได้รับประเคนก่อนค่แรงอีกอันหนึ่งก็คือภิกษุนั้นต้องยกส่งให้ส่งให้กับภิกษุที่กำลังฉันอยู่แล้วก็อันนี้สารก็ต้องเข้าไปในหัตถภาด้วยต่อไปก็ภิกษุนั้น่ะยังฉันไม่เสร็จ ที่สูตที่จะทําวินัยกรรมให้ในชันนี้เสร็จแล้วก็ที่สูตนั้นก็ยังไม่ได้ลุกจากอาสนะด้วยคือฉันนี้เสร็จนี้หมายถึงว่ายังไม่ไลุกจากอาสนะแล้วก็ให้ทําวินัยกรรมโดยที่ให้ตัดอาหารในจานนั้นหน่อยหนึ่งแล้วก็พูดว่าเอา้าที่เหลือ น, นั่นพอละบอกทั้งหมดนั่นแหะพอแล้วอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการทําวินัยกรรมอาหารนั้นก็ชื่อว่าเป็นอาหารที่เป็นเดนที่สูตที่ห้ามพันแล้วจึงนํามาชั้นได้ บรด า, าบทเหล่านั้นบทว่าอากัปปิยะกัตันมีความว่าในผลไม้เป็นต้นนั้นผลไม้หรือเน้ามันเป็นต้นยังไม่ได้ทำให้เป็นกัปปิยะด้วยสมณะกัปปะทั้งห้าอันนี้ทำให้เป็นกัปปิยะหมายถึงว่าเป็นพวกผลไม้หรือว่าพวกผักที่ยังลอกได้นะแล้วก็ถ้าเป็นอากัปปิยะมังสะหรือว่าอากัปปิยะโภชนะอันใดนี่ชื่อว่าของเป็นอากัปปิยะ ของเป็นอากัปปิยะนั้นแม้ที่จุทําให้เป็นเด่นอย่างนี้ว่าทั้งหมดนั้นพอแล้วก็ยังเป็นอากัปปิยะอยู่นั่นเองก็คือฉันไม่ได้พึงทราบว่าอากัปปิยะกระตังคือของที่ยังมิได้กระทําให้เป็นกัปปิยะก็มีสองในก็คือระยะหนึ่งก็คือผ ล, ลไม้ที่ยังไม่ได้ทำกัปปิยะก็ให้ทํากัปปิยะเสียกับอีกอันหนึ่งก็คือพวกอากัปปิยะมังสาผู้นั้นเอามาฉันไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เป็นเดนก็ไม่เป็นเดนเหรอกเพราะว่าไม่สมควรบวดว่าอาปติขหิตะกะตังได้แก่ของที่พิจุยังไม่ได้รับกระเคนทำให้เป็นเดนโดยนายก่อนนั่นแหละก็คือยังไม่ได้รับประเคนมาเลยเพราะฉะนั้นจะไปทานินกรรมก็ยังไม่ได้ถ้าไปจับเข้าก็เป็นอุกขิจฉันก็ไปอําบัตทุกกดด้วยบท ว, ว่าอานุจาริตะกะตัง ได้แก่ของที่พิกจุผู้มาเพื่อให้ทำกัปปิยะยังไม่ได้ขยับยกให้หรือน้อมถวายแม้แต่น้อยพิกจุที่จะฉันอาหารเพราะว่าตนเองห้ามพัดแล้วเนี่นะแต่อยากจะฉันอีกจะมาทำาให้เป็นกัปปิยะยังไม่ได้ยกอาหารนั้นเข้าไปให้กับพิจุที่ฉันค้างอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ต้องยกน้อมเข้าไปสองบทว่าอาหารถ้ปาเสกระตัได้แก่ ยืนทํานอกหัตตบาทของพิกษุผู้มาเพื่อให้ทํากัปปิยะถ้าอยู่นอกขัตตบาทนี่ก็ไม่ได้ต้องอยู่ในหัตตบาทด้วยสองบทว่าอาพุตตาวินาตะตังได้แต่พิสุผู้ซึ่งทําให้เป็นเดนว่าทั้งหมดนั้นพอแล้วยังไม่ได้ฉันโพชนะที่เพียงพอแก่การห้ามทําแล้วคือพิสุที่จะทํากัปปิยะให้ยังไม่ได้ฉันอาหารยังไม่ได้ฉันโพชนะเลยอันนี้ก็ไม่ได้ คำว่าพุตตาวินาปวาริเตนะอาสนาวุติเตนะกตังนี้ตื่นึงนั้นก็คือพิสูจน์ที่ห้ามพัดแล้วลุกจากสนะแล้วเนี่ยไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนั้นพอละเอาเข้าไปพปิสูจตักเฉยไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนั้นพอละก็ไม่เป็นการที่อาหารนั้นเป็นเดนคำว่าอันละมีตังสับบันติอาวุธตังนี้แก่ไม่เปล่งวาจาพูดอย่างนั้นก็คือ ไม่พูดว่าทั้งหมดนั้นพอแล้วของอันใดยังไม่ได้ทำให้เป็นเดนคือทำให้เป็นกัปปยะโดยอาการแห่งวินกรรมทั้งเจ็ดอย่างนี้และของใดไม่เป็นเดนแห่งพิสุอาภาพแม้ทั้งสองอย่างนั้นผึงทราบว่าของไม่เป็นเดนด้วยอาการชนิดแต่ลองทำวินกรรมนี้ต้องเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างรวมทั้งอาหารที่ไม่เป็นเดนของพิสุอาภาพเนี่ยก็เลยเป็นแปดอย่าง ก็มาดูพักที่เป็นเดนส่วนพักที่เป็นเดนพึงทราบตามในที่ตรงกันข้ามแห่งพักที่ไม่เป็นเดนนั่นแหละเพราะเหตุนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงตรัสไว้ในบทภาชนะว่าที่ชื่อว่าของเป็นเดนคือของที่ทำให้เป็นกัปปิยะแล้วอย่างหนึง่งก็คือผลไม้ที่ทำกัปปิยะหรือว่าเป็นกัปปิยะมังสะ อันที่สองพิกตุรับประเคีนแล้วพิกตุที่จะนําอาหารให้มาทํากัปยะหรือว่ามาทําให้เป็นเดนรับประเคีนอาหารนั้นแล้วอันนี้สามพิกตุยกขึ้นส่งให้ก็คือมีการน้อมเข้าไปอันนี้สี่ทำในหัตถบานด้วยอยู่ในช่วงของระหว่างสองศอกคือประตว่าเมตรยี่สิบห้าเซนอันนี้ห้าพิกตุฉันแล้วทําคือพิกตุที่จะกระทําให้เป็นเดนทางกัปยะให้เป็นเดนเนี่ยฉันแล้ว อันที่หกฉันเสร็จแล้วตกงห้ามพัดแล้วยังไม่รู้จักอาสนะธรรมคือไปสุดที่จะทําให้ก็ยังไม่รู้จักอาสนะอันที่เจ็ดพิจุพูดว่าทั้งหมดนั้นพอแล้วนี่ถึงจะครบเจ็ดข้อแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเดนของพิจุอภพาต น, นี่จะเลยเป็นข้อที่แปอีกอย่างหนึง่งยังมีคําอื่นที่จะพึงกล่าวอยู่ในของเป็นเดนนี้ คำว่าพุธตาวินากตังโหติมีความว่าถึงโพชนาที่พิษุฉันข้าวุกแม้มัเล็กเดียวหรือเขี้ยวเนื้อแม้ชิ้นเดียวจากบาทของพิสุผู้เป็นสภาค้ากันซึ่งนั่งถัดไปทำแล้วบันดิตก็พึงทราบว่าเป็นอันพิสุผู้ฉันเสร็จแล้วทำแล้วคือต้องฉันเขาไปแล้วหละฉันคำหนึ่งก็ได้ ส่วนในคำว่าอาสนะอาวุธิเตนะนี้เพื่อความไม่สับสนมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้พิ่สุตรองรูปฉันแต่เช้าทีเดียวเป็นผู้ห้ามพัดเสร็จแล้วที่สุรูปหนึ่งพึงนั่งในที่ห้ามพัดนั่นแหละอีกรูปหนึ่งนำนิตยพัดหรือสลามกพัดมาแล้วเทลงในบาทของพิ่ษุนั้นเครื่องหนึ่งล้างมือแล้วให้ทิสุนั้นทาส่วนที่เหลือ ให้เป็นกัปปิยะแล้วฉันเถิดสามารถทําได้ก็คือห้ามพัดทั้งสองรูปแต่ว่าอีกรูปนึงยังนั่งอยู่รูปนึงไปนําพัดอื่นมาเพราะฉะนั้นก็สามารถที่ให้พระภิสดุที่นั่งอยู่เนี่ยทําอาหารให้เป็นเดนได้โดยนําอาหารนั้นเทลงในบาตรของพิสษุที่ห้ามพัดแล้วนั่งอยู่เนี่ยเพราะเหตุไรเพราะว่าพัดที่ติดอยู่ในมือของพิสษุผู้นําพัดมานั้นเป็นอกัปปิยะ แต่ถ้าพิสุผู้นั่งอยู่แต่แรกเอามือรับเอาจากบาทของพิสุผู้นำพัดมานั้นด้วยตนเองนั่นแหละไม่มีกิจจำต้องล้างมือแต่ถ้าเมื่อพิสุให้ทำเป็นกัปปิยะอย่างนั้นแล้วฉันพวกทายกใส่แกงหรือของเคี้ยวบางอย่างลงในบาศอีกพิสุรูปใดทำให้เป็นกัปปิยะก่อนพิสุนั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะทำอีก พิสุใดยังไม่ได้กระตธรรมให้เป็นกัปปิยะพิสุนั้นพึงทําเสียและสิ่งใดยังไม่กระตธรมก็พึงทำสิ่งนั้นเสียเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเป็นผู้ที่ทํากัปปิยะได้ทั้งสองรูปก็าผลัดกันทำแต่ว่าถ้าทาแล้วไม่ต้องทําอีกสองบทว่าเยนะอากตังความว่าพิสุรูปอื่นใดที่ไม่ได้กระทํารมกอกพิสุนั้นพึงกระตธรรม สองบทว่ายันจะอังกตังมีความว่าของที่แม้พิจุผู้ซึ่งทาให้เป็นกับพิยคราวแรกยังไม่ได้ทาพึงทาให้เป็นกับพิยได้แต่ย่อมไม่ได้เพื่อจะทำในภาชนะแรกเพราะว่าภาชนะแรกทำไปแล้วอธิบายว่าเพราะว่าของที่พิจุทาอยู่ในภาชนะแรกนั้นย่อมเป็นอันทำรวมกันกับของที่ควรทำไว้คราวแรกเพราะฉะนั้น จึงควรทําในภาชนะอื่นแต่ของที่ทําแล้วอย่างนี้ที่สุดนั้นจะฉันรวมกับของทํำไวคราวแรกควรอยู่อยู่กับเป็นเรื่องของความละเอียดละอ่อนการทิจารณรักษาทาวินยัยหรือว่าการที่จดำรงสติสัมชัญยญ์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วก็กเจตคาถาก็อธิบายความต่ตางๆเหล่านี้และเมื่อจะทําให้เป็นกัตถิยะพึงทําในบาศอย่างเดียวเท่านั้นหาไม่ได้ ก็คือสามารถทำในภาชนะอื่นก็ได้พึงทำให้เป็นกับปิยะในหม้อบ้างในกระชาวบ้างณนะที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นภาชนะที่เขาน้อมเข้ามาวางไว้ข้างหน้าเถิดถ้าแม้พิสูุตั้งร้อยรูปห้ามพัดทุกรูปจักฉันพักที่ทำกับปิยะแล้วนั้นก็ควรคือห้ามพัดหมดเลยแต่ว่ายัางไม่ลุกจากที่ถ้ามีกัปิตุนำอาหารเข้ามาแล้วก็มาให้ทำกับปิยะ มาให้ทำกับปิยะมาให้ทำนินัยกรร ม, มให้สูติที่นั่งอยู่ก็ทำวินัยกรามได้แต่แล้วก็สามารถที่จะฉันของพระพิุรูปนั้นก็ได้แม้พวกพิตุผู้ไม่ห้ามพัดก็ควรฉันแต่ไม่ควรแก่พิตุผู้ทำกับปิยะถ้าแม้ชาวบ้านเห็น พ, พิกตุผู้ห้ามพัดเข้าไปบิณฑบาตรับพัดแล้วให้นั่งในสถานที่นิมนต์ เพื่อต้องการมงคลซึ่งจะต้องมีการฉันแน่นอนพึงให้ทําให้เป็นเดนก็คือทําให้เต็มกัปปิยะก่อนแล้วจึงฉันตกลงเป็นสูตรร้อยรูปหรือว่าเป็นสูตรสองรูปก่อนนั้นนะคือเป็ิสูตที่ฉันแล้วว่าห้ามพักทั้งสองรูปนั้นเป็นสูตรรูปหนึ่งลุกไปแล้วอีกรูปหนึ่งยังไม่ลุกเป็นสูต์ที่ลุกไปแล้วนําอาหารมา ให้ทําให้เป็นเดนพริสุทที่นั่งอยู่เนี่ยก็ทําให้พระพิสุที่ลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะฉันอาหารที่เป็นเดนนั้นได้แต่พริสุที่ห้ามอยู่นี้ก็ฉันอาหารในปาของตนเองก็ได้นะท่านบอกว่าไม่ควรแต่พิกษุผู้ทํากับปิยะก็คือผู้ที่ทําให้เป็นเดนนั้นพระพิสุที่ไม่ห้ามพัด ก, ก็ควรชันได้เหมือนกันถ้าในสถานที่นิมนต์นั้นไม่มีพิกพสุอื่น พึงสรงบาทไปยังหอฉันหรือวิหารแล้วให้ทําให้เป็นเดนแต่เมื่อจะทําให้เป็นกัปปิยะไม่ควรทําของที่อยู่ในมือของอนุสัมพัน์ก็คือต้องทําในมือของอุปสมบัตหรือพิกษุถ้าในหอฉันมีพิสุทไม่ฉลาดพึงไปให้ทํากัปปิยะเองแล้วนํามาฉันเถิดก็คือถ้าจะไปในที่นิมนต์แต่ว่าเป็นผู้ที่ห้ามพักไปทั้งหมดเลยเขาก็จะต้องให้ฉัน เพราะฉะนั้นก็ต้องส่งอาหารนั้นนะไปทําให้เป็นเดนมาก่อนจึงฉันทางพิสูจน์ในวิหารนิชรัตวว่าไปทาเองเลยไปด้วยตนเองในคาว่าทิลานาติริตตังนี้ไม่ใช่ว่าพัดที่พิสษุอาพาธฉันเหลืออย่างเดียวจึงชื่อว่าพัดเป็นเดนของพิสษุอาพาธโดยที่แท้วัตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขานำมาเฉพาะพิสษุอาพาธด้วยใส่ใจว่าท่านจักฉันในวันนี้ หรือในเวลาที่ท่านต้องการวัตถุทั้งหมดนั้นบันเทึงทราบว่าเป็นเดนของพิจุอาพาธก็คือไฟจุอาพาธจะฉันหรือไม่ฉันก็แล้วแต่ถ้าเป็นของเางา้าจับจรมาถวายเพื่อพิจุอาพาธก็ชื่อว่าเป็นเดนของพิจุอาพาธเทนั้นเพราะฉะนั้นพิกษุที่ห้ามพัดแล้วก็สามารถที่จะฉันอาหารหรือวัตถุถิ่นของต่างๆของโกงนเทียวของเคกษุ่ที่อาพาธได้ชื่อว่าเป็นเดนพิจุอาพาธ เมื่อพิสุฉันยามะตาลิศก็คือพวกน้ำผลไม้น้ำอัตบานสัตตาหะตาลิศก็คือพวกที่เก็บไว้ได้เจ็ดวันพวกน้ำมันน้ำพึ้งน้ำอ้อยในใสายในคน้นและยาวะชีวิตก็คือพวกยาต่างๆหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นเดนเพื่อประโยชน์แก่อาหารกิจเป็นอบัตทุกกฎไม่ใช่อาหารเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องอ ბ ัตปฏิสติอ ბ ัตทุกกฎก็ห้ามพัดไปแล้วนี่นะ เราก็ต้องอาบัตทุกกดทุ ก, ท, กทุกคำเกินเลยแต่ถ้ายามะการิสเป็นต้นเป็นของระคนวิอามิตรี่สุจะรับประเคนฉันเพื่อประโยชน์แ ก, อาาก่อรหิธก็ตามไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่อาารกิธก็ตามเมื่อห้ามพัดแล้วก็ระคนและอามิตรน้มปณะนะเป็นอาบัตปานจิตตีโดยแท้ก็ยา마การิสเป็นต้นที่ไม่ระคนเมื่อมีเหตุไม่เป็นอาบัตแก่พิสุผู้ฉัน ก็คือีิสูที่ฉันแล้วว่าห้ามพัดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปดื่มน้ำผลไม้ยามมตริกนะหรือว่าตาต่างตาลิกเมื่อมีเหตุตรงนี้ยารักษาโรคต่างๆก็ไม่เป็นอาบัตอันนี้ก็กระทำวินิจฉัยเรื่องการห้ามพัดในบาลีมุตตะวินยะวินิจฉัยสังคหะ ก, ก็จบแล้วขอยท่านทั้งหลายผู้ที่เป็นพระภิกษุก็ตามเป็นกุหัก็ตาม เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยศึกษาทรงจำแล้วก็รักษาประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความเจริญรอกลามแห่งอาธิศีลศิษยาเพื่อเกือ้อกูลแก่อาธิจิตศิษยาเพื่อความเจริญแห่งอาธิปัญญาสิษยาเพื่อการบรรลุอรยิยสัจธรรมโดยทั่วกันทุกท่านเทิญสาธุสาธุสาธุ